ปัญญาเนี่แหละเป็นตัวเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาถ้าไม่มีปัญญาสำเร็จวิชาสามวิชาแดไม่ได้เพราะมีกรุณาเน่แหละพระองค์จึงมีศีลนะมีอินทร์สังวรมีโพชเนมตันยุตามีชาครยานุโยกมีศรัทธามีฮิริมีโอตตะมีสุตมีมีวิริยะมีสติมีปัญญามีปฐมฌานเป็นต้นก็เพราะมีการุณาฉั้นสำเร็จวิชาได้ก็เพราะปัญญาสำเร็จ จารณะได้ก็เพราะกรุณาทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเนี่ยเกิดจากปัญญาเพราะพระองค์มีปัญญา น, นี่แหละพระองค์จึงสําเร็จทศพลยานเวสารัชยานยานที่ทําให้พระองค์แก้วกล้าก็เพราะกรุณาสรุปว่าปัญญาและกรุณานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงๆตัวผลักดันที่ที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า คือคุณธรรมสองประการคือกรุณากับปัญญาคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชุดใหญ่ๆเนี่ยนะตรงนี้ผ่านมาแล้วก็คือ1ชุดที่1ก็คืออภินิหารอภินิหารที่เกิดจากการประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ปดทำให้สร้างบารมีอย่างที่1 น, นะอย่างที่2ก็คือปัญญากับกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้สร้างบารมี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 ทั้งสองทั้งสองนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมี เ, เป็นปัจจัยแห่งปณิธานดุจบารมีทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปอีกอเราบอกว่ายังมีพุทธ ภ, ภูมิอีกสี่เนี่ยนะพุทธ ภ, ภูมิสี่นี้เป็นปัจจัยแห่งบารมีพุทธ ภ, ภูมิเป็นปัจจัยแห่งบารมีคืออะไรพุทธ ภ, ภูมิมีสี่ประการหนึ่งอุตสาหะคืออุตสาหะสอง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 กล้าที่ไหนอดทนอยู่ที่นั่นถ้าอดทนที่ไหนแสดงว่ามีความกล้าอยู่ที่นั่นดังนั้นอุสาหานั้นเน้นความเพียรด้วยความอดกลัน้นอดทนอย่างแท้จริงสองปัญญาปัญญานี้หมายถึงความฉลาดในอุบายในโพที่สมพานเรียกว่ารู้วิธีรู้วิธีสร้างบารมีทั้งสิบรู้วิธีให้ทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีเจริเนฆามารู้วิธีเจริ ญ, รรญปัญญาวิริยะขันติสัจจะที่ฐาน รู้วิธีเจริญเมตตารู้วิธีเจริญอุเบกขาเนี่ยนะเป็นคนที่ฉลาดไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านเป็นอกุศลได้ น, นะฉลาดจนเรียกว่าไม่มีอะไรทําให้เป็นอกุศลได้ผลฉลาดที่จะสร้างบารมีสิบแล้วไม่มีเหตุอะไรทําให้เป็นอกุศลนี่เขาเรียกอุมมังคะมีปัญญาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคุณธรรมอันนี้เนี่ยนะจะแก้อกุศลได้ยังไง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 ถามว่าประสบอุบัติเหตุทางความคิดเนี่ยนะแก้ง่ายไหมคิดไปคิดมาคิดจนไม่สบายใจเสร็จแล้วแก้ไงอ่ไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะหรือทําไปทํามาทําจนลำบากใจเนี่ยนะถามว่าแก้ง่ายไหมบอกแก้ยากเพราะนั้นจะต้องมีความฉลาดในอุบายจึงจะสามารถแก้อาคุศลได้นั่นเรียกว่าอุมังคะอุมังคะแก้สามารถที่ถอนตัวออกจากอาคุศลได้แล้วก็พอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลอย่งยิ่งขึ้นไป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 แล้วมีจิตใจน้อมประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือจำเริญความคิดเจริญเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นว่าน้อมประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะน้อมประโยชน์นั้นการเจริญเมตตาก็คือการน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทำไฉนสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทำไฉนประโยชน์เหล่านั้นจะสาเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นเมตตาภาวนา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 กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮัทหิตะจริยาพันสี่ประการเรียกว่าพุทธภูมิสี่พุทธภูมิทั้งสี่นี่แหละเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทวในครั้งหนึ่งนะอุตสาหาเพียรในการเจริญกุศล อดทนในการเจริญกุศลสองปัญญารอบรู้ในวิธีการเจริญกุศล 3. ความเพียรและปัญญาอันนั้นเนี่ยทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ ร, รทั้งหลายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองเ น, นะนั้นเรียกว่าใครน้ะจะมีความสุจริตใจมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแก่สรรัพพะสัตวทั้งหลายเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะลองคิดศึกษาอีกในหนึ่งศึกษาไปศึกษามาก็ดีใจแล้วที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่หวังประโยชน์เพื่อกูลหวังความสุขแก่สัพพะสัตวทั้งหลายมันเราก็ได้ดีแล้วที่ได้นับถือาศาสดาแต่ว่าไอความนับถือของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเราเข้าใจพระองค์ขนาดไหน ความรู้ในพระคุณของพระองค์ทำให้ศรัทธาของเราตั้งมั่นในพระองค์พันเราจะกราบเราจะไหว้เราจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่เบื่อไม่น่ายไม่ขี้เกียจนะนะบางคนเนี่ยชวยพุทธคุณวันไม่รู้กี่สิบรอบเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าชื่นชมยินดีอ่นะอยู่นั่นแหละมีความสุขกับการเจริญ พุทธคนเนี่ยนะมันถามว่าเหมือนว่าถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสียใจขนาดไหนเนี่ยนะเพราะเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้ถามว่าไม่ได้ใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะ่าสงสารขนาดไหนอ่ะเกิดมาไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวท่านให้ประโยชน์เราฟรีเลยนะมีมีไฟดวงเดียวเท่านั้นนะที่ไม่ต้องเสียตังค์จ่ายก็คือไฟที่จะเกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะนะถามว่า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 บางคนบอกว่าฉันจะช่วยเธอนะต่อเมื่อเธอต้องทำให้ฉันหนึ่ง 6, 7, 8, ส10ปพระพุทธเจ้าบอกไม่ไม่มีกติกาขอได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายพ้นทุกข์ใช้ได้สำเร็จที่เหลือจงไปจรฐหะพิฆเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก โลกเนี่ย น, นะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนั่ยนะดีวระเดีไล่ให้ไปช่วยคนอื่นต่อไปอีกเนี่ยนะไม่ต้องมาคอยอุปถากเราตาถาคกเรากม่ต้องมาคอยดูแลเราหรอกไม่ค่อยห่วงเรารอกอย่างเงน้ยไปเถอะนั่นนะ่นนนะนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยพระองค์บอกว่าอ้าแล้วเราเรียกให้เธอมานับถือเราหรืออะไรนะเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องการคํานับถือไม่ต้องการ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 ช่วยเหลือพอช่วยเหลือลูกไว้ประสบความสําเร็จแทบไม่เคยพูดถึงลูกอีกเลยก็ไม่รู้จะคิดขเขาัมนทําไมเขาเขาอยู่ดีมีสุขของเขาเป็นไปของเขาแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วะเพราะแล้วแต่เขาแล้วว่างั้นถต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของของเขาจริงๆเนี่ยน ะ, ะลักษณะนั้นแหละเป็นคือคนที่จะมีเมตตามีกรุณาดํารงอยู่ได้เนี่ยต้องเจริญอุเบกขาเป็นถ้าเจริญอุเบกขาไม่เป็นเนี่ยนะยากที่จะเจริญเมตตาและกรุณา นี่ต่อไปนะยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่บารมีอีกหกเรียกว่าอัธยาศัยหกอัธยาศัยหกก็คือเนคข ม, มัธยาศัยวิเวกัตยาศัยอโลพัทธยาศัยอโมหัธยาศัยและนิสรณัทธยาศัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เห็นโทษในการและเห็นโทษในการครองเรือนเพราะท่านมีเนคข ม, มัธยาศัย จริงๆแล้วบารมีทั้งหลายเนี่ยว่าตรงๆแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยสร้างในมนุษย์โลกและเทวโลกคือมนุษย์และเทวดาแต่แต่ข้อแม้ว่าโดยมากจะต้องมาจากพรหมจริงจะมาสร้างบารมีได้เต็มที่โดยมากเนี่ยพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ในพรหมเนี่ยนานไปอยู่ในพรหมเนี่ยขึ้ น, ข, น, ข, น, ข, นขึ้นลงระหว่างมนุษย์กับพรห ม, มโลกนี่บ่อยมากถามว่าทําไมเพราะว่าคนที่มีใจผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยผูกพันจริ ง, รงๆแล้วให้ทานได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ท่านจะต้องแบบเป็นผลที่มีปกติออกเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะ่ะจึงเมื่อลงมาจึงให้ทานได้อย่างแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อาไยอาวอนเพราะมีอัจยาสายออกคำว่าออกนี้ไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะออกก็อยากจะออกออกแล้วออกไปไหนเพราะท่านท่านเนคคำมัทธยาสายก็คือมีใจมุ่งไปพรหมโลกนั่นแหละมีใจมุ่งไปหาสมถะสมถะนี้เป็นหนทางเพื่อ น, นาไปสู่ พรมโลกมันเนคคำมะคือนำอกากกาำอกจากกรรมคำว่าออกจากกรรมก็หมายถึงออกไปสู่รูปประชานและอรูปประชานมันก็แปลว่าน้อมไปเพื่อรูปประพบทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเห็นโทษของวัตถุกรรมทั้งหลายเห็นโทษของวัตถุกรรมเห็นโทษของกิเลสการมว่ามันมีความอร่อยน้อยมีความทุกข์มากเนี่ยนะกระทั่าโทษอย่างอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเราเคยเห็นความทุกข์ในโลกนี้ไหม ถ, ถ้าสมมติว่า เขาได้รับความทุกชนิดที่เรียกว่าทุกน้อยหรือทุกชนิดสาหัสก็าตามสาวไปหาเถอดเกิดจากกามทั้งนั้นนะ่ะไม่เกิดจากวัตถุกามก็เกิดจากกิเลสกามเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสกามในวัตถุกามวัตถุนั้นก็ไม่เรียกว่าวัตถุกามอีกนั่นแหละก็เพราะกิเลสกามนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะนะคำว่ากิเลสก็คือเป็นชื่อของตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงเปรีสลดและโพธพภะก็เลยเห็นโทษในวัตถุกามแล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 แล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่เดียวด้วยจะยกให้ที่นั่งให้ได้ไหมบอยากก็เราต้องมีที่มันมั่นกว่านั้นอีกก็คือเช่นอย่างน้อยก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไปพรมมโลกได้วัตถุ ก, กามเนี่ยท่านจึงให้ทานได้โดยที่ไม่ไม่ต้อจะเสียดายไปทําไมเนี่ยน ะ, ะนนท่านไอ้ที่ที่เรียกว่าให้ของน้อยๆได้เนี่ยเพราะท่านมีของที่มันใหญ่กว่ายิ่งยิ่งใหญ่กว่าระดับมหักระตะเนื่องจากท่านมีคุณธรรมระดับมหักระตะท่านจึงให้ อ่อให้อะไรนะพวกปริตะแบบหู้ไม่อะไรเอาวอี เ, เอาไปเลยทีเ่เอาไปเลยเนี่ยนะเพราะมีมหคตะอยู่แล้วเนี่ยนะเออดีมันรกตั้งนานนะช่วยเอาไปหน่อยอย่างเงี้ยนะแทบจะมีอัธยาศัยเช่นนั้นด้วยซ้ําไปเนะนี่ยนะในต่อไปบอกว่าท่านเห็นโทษของการคลุกคลีเรียกว่าปวิเวกัตธยาศัยอัธยาศัยสงัดวิเวกวิเวกก็คือเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการเกี่ยวข้องกันก็เกิดการคลุกคลีกันเมื่อมีการคลุกคลีกันและอะไรเกิดขึ้นเออ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 เพราะว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันในที่สุดก็เก็บเอาความเลวของกันและกันมาเล่าให้ฟังนะเขามีโยมคู่หนึ่งนะไม่ใช่แถวนี้หรอกเขามีเล่าว่าโวยวังๆนะเขาก็มาเล่าความเลวของเขาอีกฝ่ายให้ฟังเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่ ด, มดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เอา้าเขาเห็นอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนี่นะคุยไปคุยมาแล้วก็แนะนําให้นะไม่ฟังเลยเนี่ยเลิกเลยเขาเลิกปรึกษาแล้วก็ขอคลุกคลีต่อไปกันแล้วกันว่งั้นเอออย่าบน่นกันแล้วกัน เพราะว่าการคลุกคลีเนี่ยมันนามาซึ่งสารพัดปัญหาเนี่ยนะนต่อไปเห็นโทษในโลภะจึงมีอัธยาศัยเรียกว่าอารภัธยาศัยเนี่ยนะแปลว่าอัธยาศัยในการกําจัดความโลภเพราะเห็นโทษของความโลภอารภัฒยาศัยคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกําจัดความโลภเพราะว่าความโลภทั้งหลายเนี่ยนะมันอะไรนะตัณหาตาบอดนะนทำให้เมื่อตาบอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เดินไปตกเหวชาติชรามรณะไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะก็เลยเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธก็เลยมีอัธยาศัยเรียกว่าอัตโทสัทยาศัยว่าความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายให้เจ้าของขนาดไหน น, นะเหมือนกับว่าถ้าไฟเข้าเข้าคลังแสงเมื่ อ, อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลุงเ ร, นนะรือถ้าไฟเข้าคลังแสงเมืม่ อ, อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดก็ประทุมรู้เท่าไหร่นะนะก็ว่าหรือไม่ถ้าไฟเข้าบ่อน้ํามันเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น นะเสียดายอริยทรัพย์ว่า ง, งั้นเมื่อไฟเข้าใจเมื่อไหร่ศรัทธาเหลือไหมศรัทธาเป็นต้นเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยนะเผาผลาญสักเลี้ยงเมื่อเห็นโทษของโทสะก็เลยมีอัโทสัทยาสายมีอัทยาศัยน้อมไปเพื่อกำจัดโทสะเพราะว่าโทสะนี่ไม่เคยสร้างคุณให้เลยนะนะมีแต่สร้างความทุกข์ให้แกเนี่ยนะเหมือนกับไฟไฟให้มันไม่ไม่ห้องนอนเลยนะสร้างประโยชน์ให้เจ้าของบ้านไหม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 ไอ้ความโง่ถึงขนาดว่าปกปิดตัวเองให้มันโง่ต่อไปได้เนี่ยในน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะมีคนบางคนเนี่ยนะว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยนะน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไมไอ้ไม่อยากรู้น่ากลัวกว่าไม่รู้คำสอนนี่ก็ถือว่าเสียหายอยู่แล้ว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 ก็บอกว่าปิดประตูบัณฑิตบอกว่าปิดป้ายข้างหน้าบ้านว่าไม่ว่างบ้านไม่ว่างก็เปิดประตูรับพลผ่านนะกันนะเราไม่เชื่อก็ลองอันนั้นจะฟังทำก่อนงานเลี้ยงดูสินะยากแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็นโทษในวัฏฏะสงสารเรียกว่าทุกขภาวะความทุกขภาวะของสังสารวัตว่าสังสารวัตนั้นมีทุกมีโทษอย่างไรเนี่ยนะผลกําไรของสังสารวัตทั้งหลายสังสารวัตนั้นเป็นอย่างไร ก็คือที่สุดของสังสารวัตรทุกภพทุกชาติคือความแก่และความตายที่สุดของวัตตะอยู่ที่ความแก่และความตายก็เลยเห็นโทษว่าอ อ, ออกดีที่สุดเนี่ยนะก็เลยนิสรณัตยะใสออกมุ่งกำจัดสังสารวัตเรียกว่านิสรณัตยาใสเนี่ยนะบอกว่าพอกันทีวัตตะว่ากันโบกมืออัมลาวัตตะด้วยปัญญานะโบกปัญญาลอัมลาวัตตะเลยบอกไม่เอาเลยวัตตะว่ากันโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะ